สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีเองก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยบีขอฝากช n e งอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะนั่นก็คือสยามตามตำนานช่องนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรับฟังเรื่องราวต่างๆของสยามประเทศเรา บางตำนานเองนะคะบี B. เองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะเช่นกันนะะอาจจะรู้หรืออาจจะไม่เคยรู้แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสยามตามตำนานด้วยนะคะเรื่องแรกที่บีจะนำมาเล่าค่ะเรื่องของผีตายทั้งกลมที่โคราชเรื่องนี้เนี่ยหลานย่าโมเล่าเรื่องขนหัวลุกเมื่อวิญญาณล้างแค้นนะคะ ลานย่าโมบอกว่าสมัยเด็กเนี่ยดิฉันอยู่แถวขามทะเลสอโคราชในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นถนนแดงวกวนเสียงหมาเห่าหมาหอนเสียงไก่ร้องดูคึกคักดีในตอนกลางวันแต่ว่าพอตอนกลางคืนนี่แหละฮะช่างเปล่าเปลี่ยวเยือกเย็นซะเหลือเกินดงตาลกลางทุ่งที่เขาร่ำลือกันว่าผีดุหนักหนาตอนเย็นฟ้าแดงฉานเหมือนเลือดสด พายุพัดแรงเห็นต้นตาลโอนเอ็นไปมาใบตาลก็โบกสะบัดสู้ซ้าดูคลายอสูรกายตัวสูงสูงกำลังโยกร่างของมันแล้วก็หัวเราะเยาะหยันเกลียวกราวกันเลยเกือบทุกบ้านมีรั้วไม้เรานงค่ะปลูกกล้วยอ้อยมะม่วงมะพร้าวไว้หน้าบ้าน ตกค่ำก็จะถูกพ่อเนี่ยเรียกขึ้นบ้านปิดบันไดแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยโดยเขาว่ากันว่านะคะสมัยก่อนเนี่ยถึงกับชักบันไดขึ้นมาเลยนะเพื่อป้องกันขโมยโจรแล้วก็สัตว์ร้ายไม่ให้บุกรุกขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยห้ามพูดเรื่องผีโดยเด็ดขาด คนที่เจ็บหนะักใกล้ตายพวกญาติๆจะพูดกันนะคะว่าขอให้ตายตอนกลางวันเพราะว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าตายตอนกลางคืนเนี่ยจะได้ตกนรกแถมเป็นเหตุทาให้ผีดุซะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนแถวนั้นในสมัยก่อนแถวนั้นนี่เชื่อเรื่องปอบกันมากค่ะซึ่งตัวของหลานย่ามโมเองก็เคยได้ยินเขาซุบซิบกันบอกว่าคนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบแต่ก็ไม่เคยจับได้สักที หมอป่านเนี่ยเคยถูกสงสัยมากที่สุดว่าแกนี่อาจจะเป็นปอบก็ได้หรือไม่แกก็เลี้ยงปอบไว้กินตับคนที่แกไม่ชอบหน้าหมอป่านที่กล่าวมาเนี่ยนะคะอายุแกก็ประมาณสัก50เศษละรูปร่างผอมสูงผิวดำผมขาวโพลนเขาว่าแกมีวิชาอาคมจากขเขมรทั้งเลี้ยงผีทั้งทำคุณไสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสกตะปูกระดูกผีหรือแม้แต่หนังควายเข้าท้องศัตรูได้ ตอนดึกๆเนี่ยมีคนเคยได้ยินเสียงพูดผีกู่ร้องหวยหวนมาจากบ้านเก่าๆท้ายหมู่บ้านอยู่เป็นประจำแล้วก็พวกหนุ่มๆ น, นะคะชอบไปขอของดีของแกอย่างเช่นพวกน้ำมันพายหรือว่ามนสเสน่ห์ต่างๆมาใช้แต่ว่าพวกผู้ใหญ่ล้วนแต่ไม่ชอบหน้าแกทั้งนั้นแทบทั้งหมู่บ้านเลย แล้วก็ลือกันนะคะว่าเมื่อตอนที่แม่ของแกตายเนี่ยหมอป่านก็ฝังศพไว้ใต้ต้นตะเคียนริมรั้วบ้านของแกนั่นแหละก็เลยกลายเป็นปอบเท่าหิวโหวยเครื่องเส้นคือเลือดเนื้อของมนุษย์เพราะว่าต่อมาเนี่ยมักจะมีคนเกิดอุบัติเหตุตายอยู่บ่อยๆโดนรถชนตายบ้างถูกงูกัดตายบ้างขี่รถจักรยานยนชนรัว้วคอหักตายจนชาวบ้านชักจะเอะใจกันนะคะล่าสุดค่ะน้ำไหมกำลังตั้งท้อง ท้องนี่ท้องแก่แล้วล่ะประมาณ 7-8 ดดเดือนละยืนสอยมะม่วงอยู่หน้าต่างจู่ๆค่ะก็มีลมกระโชกวูบมาไม้นี่หักโครมพุ่งเข้าเสียบหน้าอกของแกทะลุไปที่ข้างหลังเลยชาว บ, บ้านได้ยินเสียงผัวแกร้องไห้โวยวายก็เลยวิ่งไปดูสภาพที่เห็นคือเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวมากน้ำไหมแกก็ดิ้นทุรนทุรายในตาเหลือกลานเลือดนองเต็มพื้นเรือนนะคะ หลังจากแพทย์มาชนะสูตรศพแล้วสามีกับญาติก็นําไปบําเพ็ญกุศลที่วัดแต่ว่าก่อนจะฝังศพไว้ที่ป่าช้าเรื่องผีตายทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเขาห้ามฝังหลุมเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้วิญญาณเนี่ยเฮี้ยนแต่ว่าสําหรับรายนี้น้าไหมคงจะถือว่าตายทั้งกลมหรือว่าสาเหตุอะไรก็ไม่ไม่ทราบแน่ชัดเขาก็เลยฝังไว้หลุมเดียวกันเลยค่ะหมอป่านนี่เก็บตัวเงียบเชียบเลยคงจะรู้ดีว่าใครๆก็เพ่งเล็งไปที่แก พอตกค่มชาวบ้านดับไฟขึ้นนอนเกือบหมดแล้วเสียงลมพัดครวนครางหวู่วิวฟังคล้ายเสียงสอือกสะอื้นคร่ำครวนมาจากป่าช้าหมูหมาในหมู่บ้านก็ลุกขึ้นมาเห่ากันคร้มเสียงสั้นๆก่อนจะโก่งคอหอนนะคะหอนยืนยาวเลยฟังแล้วยือกเย็นจับใจอย่างบอกไม่ถูกทีนี้พอหอนรับกันเป็นทอดๆผ่านบ้านอื่นๆก็มาหยุดอยู่ที่บ้านน้ไหม ไม่มีใครกล้าโผล่ไปดูค่ะนอกจากจะนอนเหงื่อหยดเพาะเพาะไปตามๆกันแววเสียงนานายผัวน้าหมดังขึ้นบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเธอไหมเอ้ยข้าก็ยังรักแล้วก็สงสารเองเสมอและข้าจะทําบุญกรวดน้ําไปให้สักพักหนึ่งก็มีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นตามมากับสายลมค่ะเสียงหมากรวนครางดังงีดงาดก่อนจะเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆกลับไปทางเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไป คนที่กลับจากไร่จากนาตอนเย็นนะคะมักจะบอกว่าเห็นน้าไหมเนี่ยยืนอุ้มลูกมองมาที่ข้างทางโอ้เล่นเอาร้องโวกเวกโวยวายวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตหลายรายเลยจนกระทั่งมีอยู่คืนนึงได้ข่าวนะคะว่าน้าไหม่เนี่ยแกอุ้มลูกบุกเข้าไปในบ้านหมอป่านด้วยความอาฆาตแค้นสุดขีด ลูกสาวคนเล็กของหมอผีนี่ร้องกรีดเล่นเอาลูกเมียต้องเพ่นหนีออกจากบ้านเพราะว่าวาดกลัวปีศาจหน้าใหม่ที่บุกรุกเข้าไปอารวาดด้วยแรงอาฆาตของวิญญาณพยาบาทนะคะตามจองล้างจองขลังไม่ลดละชาวบ้านก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ากรรมสนองกรรมทันตาเห็นวันรุ่งขึ้นค่ะหมอป่านก็พาลูกสาวที่เจ็บหนักพร่ำเพร้อไม่ได้สติไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดไม่ช้าก็ได้ยินข่าวนะคะว่าเสียชีวิตที่นั่น หมอผีกับเมียก็เลยเหมารถขนของย้ายบ้านหายสาบสูญไปเลยนะคะขอบคุณที่มาสำหรับคอลัมน์ขนหัวลุกในหนังสือพิมพ์ข่าวสดด้วยค่ะเรื่องจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องจากคุณนทีสิวิมลบีก็ขออนุญาตนำเรื่องของคุณนทีสศิวิมลเนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ ผมกับสาวิตรีสนิทกันมากด้วยความที่พ่อของเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันมานานแถมตอนตายก็ตายในหน้าที่เหมือนๆกันคือพ่อเราทั้งสองคนที่เป็นตำรวจพ่อของเราสองคนเนี่ยเกิดการประทะกันในระหว่างที่บุกไปจับแก๊งยาเสพติดพ่อเราสองคนถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตหลังการเสียชีวิตของพ่อแม่เราสองคนก็มาจากไปพร้อมๆกันอีก แม่ผมถูกรถสิบล้อพุ่งมาชนแม่ของสาวิตรีถูกลูกหลงจากเหตุคนอื่นทะเลาะกันจนเสียชีวิตครอบครัวของสาวิตรียากจนแต่ว่าครอบครัวผมโชคดีที่ยายค่อนข้างมีฐานะผมจึงไม่ค่อยลำบาก ซึ่งก็ผิดกันกับสาวิตรีต้องออกจากโรงเรียนคือตอนที่สาวิตรีต้องออกจากโรงเรียนนั้นก็ออกจากมสามกลางคันทำงานหาเงินเลี้ยงน้องอีกสองคนที่ยังคงเล็กอยู่ยายผมสงสารให้บ้านเช่าของยายให้สาวิตรีกับน้องๆพักฟรีผมจึงไปไหนมาไหนกับสาวิตรีแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนหรือว่ารักกันผมสงสารสาวิตรีมากกว่าสาวิตรีมีปู่แต่ว่าอยู่คนละจังหวัด ปู่สาววิตรีเป็นอมพาสป่วยติดเตียงย่าก็เก็บเศษขยะเลี้ยงดูตัวเองกับปู่นานๆทีสาวิตรีก็ไปเยี่ยมปู่กับยา่าให้เงินเล็กๆน้อยๆที่เมื่อผมทราบก็มักจะฝากไปด้วยสาวิตรีทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารในตัวจังหวัดเธอก็มักจะน้อยใจในโชคชะตาที่เกิดมาจนแถมยังขี้เร่อีกตั้งหาผมต้องคอยปลอบใจอยู่เสมอผมเองเมื่อเรียนจบ มหก็เข้ากรุงเทพเรียนรามก็ไม่ได้ติดต่อกับสาววิตรีสักเท่าไหร่อยู่บ้านนอกไม่ถึงกับลําบากแต่ว่าพอมาอยู่ในกรุงเทพนี่มันคนละเรื่องเลยผมต้องทํางานส่งตัวเองเรียนหนังสือแต่ทว่าหลายครั้งที่ผมส่งเงินให้สาววิตรีใช้ด้วยความสงสารผ่านไปหลายปีผมเรียนใกล้จะจบได้ข่าวว่าน้องชายคนเล็กสาววิตรีจมน้ําตายก็เลยเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปร่วมงานศพในงานศพผมเห็นสภาพสาววิตรีที่แก่เกินอายุมาก เธอก็คงทำงานหนักไม่ได้พักผ่อนเพื่อเลี้ยงน้องส่งเงินให้ปู่ให้ย่าแววตาของสาวิตรีนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนล้าเรื่องราวที่สาวิตรีต้องผจนมามันมากเกินไปสำหรับเธอผมไม่รู้ว่าจะช่วยเธอได้อย่างไรนอกจากจะพูดให้กำลังใจเหมือนเคยย่าบอกว่าช่วงที่ผ่านมาสาวิตรีมีแฟนแต่ว่าถูกผู้ชายหลอกเอาเงินที่เก็บไว้หนีไปหมดงานศพของน้องชายสาววิตรีจัดแค่คืนเดียวแล้วก็เผา ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรยายผมให้เงินกับสาวิตรีก้อนนึงไว้ดูแลน้องหลังงานศพสาวิตรีนำปู่ย่ามาอยู่ในห้องเช่าห้องเดิมด้วยเพราะว่าทั้งชราแลวก็ป่วยทํางานไม่ได้ส่วนผมก็เดินทางกลับกรุงเทพไปทํางานต่อครั้งล่าสุดที่ผมโทรหายายทราบว่าสาวิตรีต้องนั่งริ้งกับแขกเพื่อแลกเงินผมไม่แน่ใจว่าเธอต้องขายตัวด้วยหรือไม่ แต่ที่แน่ๆน้องชายสาวิตรีนั้นเป็นคนตั้งใจเรียนมากสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดปีหน้าก็ได้ทุนเรียนต่อในตัวจังหวัดสาวิตรีดีใจมากในจดหมายที่เขียนหาผมเธอบอกว่าจะทุ่มเทให้กับน้องคนนี้ให้ถึงที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากนั้นราวสองปียายก็โทรมาบอกว่าสาวิตรีป่วยหนักพอดีช่วงสงกรานผมก็เลยลางานเพิ่มอีกวันหนึ่งเพื่อจะได้มีเวลาไปที่บ้านเกิดมากขึ้น วันกลับบ้านผมลงรถที่ขนส่งก็เจอสาววิตรีเข้าพอดีด้วยความแปลกใจว่าสาวิตรีนั้นเธอหายป่วยแล้วหรือยังเธออ้าแขนโอบกอดผมยังดีใจไม่ไอายคนที่ขนส่งเลยเอา้าไหนยายบอกว่าป่วยอะ่ะผมถามอย่างดีใจเฮ้ยกูสบายมากเลยตอนเนี้ยมีแต่ห่วงก็ย่า ก, กับปู่ที่นอนอมามพาด ท, ทั้งคู่แหละแต่ว่าไอ้จ้อยเนี่ยมันคงดูแลได้มันเรียนจบแล้วก็คงมีการมีงานที่ดีชีวิตคงดีกว่าพี่มันแน่ๆเลย สาวิตรีพูดเะยืดยาวพลางบอกว่าจะไปส่งผมที่บ้านบ้านผมติดกับขนส่งแค่ไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งปกติผมกลับบ้านจึงไม่ค่อยเคยไหว้าวานคนที่บ้านให้มารับครั้งนี้ก็เช่นกันผมกับสาวิตรีเดินกลับบ้านกันอย่างช้าๆตลอดทางไม่กี่ร้อยเมตรแต่ว่าเราคุยกันหลายเรื่องบ้านเราก็เปลี่ยนไปมากมีห้างใหญ่ๆมาเปิดมีพวกร้านอาหารดังๆที่คนกรุงเทพเข้าไปกินไปใช้ชีวิตก็มาเปิดที่บ้านเราด้วย สาวิตรีเองยังเคยบอกว่าเคยพาน้องไปนั่งกินเฮ้ยกูก็เพิ่งรู้นะว่าพิซซ่าไม่งรสชาติเป็นยังไงก็วันนั้นแหละแต่ว่ามันแพงไปหน่อยน่าจะชิ้นสักสิบบาทกูอาจจะพอกินได้บ่อยๆสาวิตรีพูดอย่างมีความสุขผมดีใจที่เห็นเพื่อนร่าเริงที่หน้าบ้านสาวิตรีกล่าวคำว่าโชคดีกับผมแถมบอกว่าดีใจที่ได้เจอกัน ผมแปลกใจกับคำว่าดีใจนะที่มีมึงเป็นเพื่อนฝากกระาบยายด้วยที่ดีกับครอบครัวกูมากชาติหน้าคงได้ชดใช้เฮ้ยอะไรของมึงพูด้อซึ้งเลยผมหัวเราะแล้วก็โบกมือลาสาวิตรีที่บ้านของยายยายออกมาเปิดประตูให้อย่างเศร้าๆพร้อมกับพูดทันทีว่าทำไมไม่โทรมายายจะไปรับผมกลับของผมแบบนี้ทุกครั้งอ่ะยายเป็นไรดูหง่อยๆเองเตรียมตัวไปโรงพยาบาลเลยนะยายว่าเออ มีอะไรเหรครับยายสาวิตรีเสียตั้งแต่บ่ายแล้วหมอเขาโทรมาบอกยายก็รอเองมานี่แหละจะได้ช่วยกันจัดการศพของมันนี่ก็เป็นเรื่องที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะโดยโนทีสศิวิมลค่ะเรื่องสุดท้ายที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณโอ๊คจากสมาชิกกลุ่มเดอะเฮาส์นะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากหลวงพี่ท่านหนึ่ง ตอนสมัยที่บวชเนนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็แน่นอนคขาว่ามีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพูดผีปีศาจจากคนเท่าคนแก่โดยเฉพาะเรื่องของเปรตปรอบหรือว่าจะเป็นผีโพงผีกระสือผีกองกอย คือสมัยก่อนหมู่บ้านที่คุณโอ๊กอยู่เนี่ยนะคะยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันบ้านก็ยังคงไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะวัดประจำหมู่บ้านเนี่ยก็จะอยู่ห่างออกไปแล้วก็มีถนนตัดผ่านเข้าไปในตัววัดแล้วก็ทะลุออกไปด้านหลังของวัด จะมีสะพานไม้เก่าๆค่ะซึ่งก็ยังคงเชื่อมต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณ10หลังคาเรือนเท่านั้นห่างจากตัววัดออกไป200กว่าเมตรเนี่ยซึ่งตรงนั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมขนาดผ่านไปตอนกลางวันนะยังวางเวงเลยแล้วก็เงียบสงัดมากแต่ว่าคนแถบนั้นก็อยู่กันนานรหาจนชินไปแล้ว ส่วนบริเวณตัววัดจะล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าก็จะมีต้นตาลใหญ่อยู่4ต้นส่วนด้านหลังนะคะจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้ไผ่แล้วก็เป็นป่าช้าที่เอาไว้เผาศพค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้ ก, กันกับถนนที่ไปหมู่บ้านนะคะหลวงพี่ยอดเล่านะคะว่าย้อนไปตอนที่ท่านเองยังเป็นสั ม, มนเนนอยู่ก็จะเป็นสั ม, มนเนนที่มีนิสัยเกเรแล้วก็ดือ้อตามประษาเด็กละค่ะแล้วก็มีป้าคนหนึ่งแกชื่อว่าป้าบัวแกมักจะมาทําบุญที่วัด หรือไม่ก็ตักบาทที่หน้าบ้านแกเป็นประจําแต่ว่าป้าบัวเนี่ยแกเป็นคนขี้อิจฉาชอบด่าชอบว่าชอบนินทาคนอื่นไม่เว้นแม้กระทั่งเนนก็โดนดุด่าอยู่เป็นประจําอย่างเช่นว่าบนพื้นสารามีขี้นกหรือว่าลานวัดไม่สะอาดมีใบไม้ร่วงเต็มไปหมดแกก็อดไม่ได้ที่จะต่อว่าเนนหาว่าเนนขี้เกียจบ้างเอาแต่วิ่งเล่นไปวันๆพูดเหมือนกับว่าแกเนี่ยเป็นเจ้าของวัดซะอย่างนั้น คือมีสิทธิ์ไปทุกเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ชอบตำหนิคนอื่นแต่ว่าพูดเอาดีใส่ตัวบางครั้งนะเน่นเองก็เคยเห็นว่าแกเนี่ยขโมยอาหารที่คนอื่นนำมาถวายพระกลับบ้านโดยเฉพาะช่วงวันพระค่ะแกจะมาวัดโดยไม่นำอาหารมาเลย มีเพียงแค่กล่องข้าวเหนียวกับตะกร้าแบบถือคือที่นั่นชาวบ้านส่วนมากเนี่ยจะนำอาหารใส่ถุงพลาสติกนะคะมากกว่าใส่ปิ่นโตแล้วก็นำมาที่วัดแล้วก็จัดเตรียมใส่ภาชนะให้พระฉันถ้าอาหารเยอะเกินไปหรือว่าล้นป้าบัวเนี่ยก็จะจับถุงอาหารนั้นยัดใส่ตะกร้าของตนตอนที่ไม่มีใครสังเกตนะคะไม่นานค่ะก็มีข่าวลือ ข่าวลือนี้ฟังหนาหูกันเลยทีเดียวคนทั้งหมู่บ้านทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงนินทากันไปบอกว่าป้าบัวเนี่ยไปแอบชอบกันกันกนกบหลวงพ่อเนนยอดก็สังเกตเห็นแหละว่าแกจะพูดดีแต่กับหลวงพ่อเท่านั้นบางครั้งนะหลวงพ่อติดธุระหรือว่าจะไปประจําวัดอื่นเวลาเนนออกไปบินธบาตถ้าแกไม่เห็นหลวงพ่อมาด้วยแกก็จะทําสีหน้าบูดเบึ้งไม่พอใจไหนจะข่าวว่าป้าบัวทะเลาะ ก, ก, กันกับเพื่อนบ้านของแกถึงขนาดเรื่องไปถึงหูผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเล่านะค่ะว่าเห็นปลาบัวนี่แกแอบเอาม า, า, มากรวดน้าสาบแช่งถึงหน้าบ้านเลยนะสาเหตุนี่เป็นเพราะว่าแกเองก็หาว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสร้างรั้วกินเข้ามาในพื้นที่ของแกคะ่ะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ชอบอกชอบใจขอในตัวของปลาบัวเข้าไปอีกเยอะเลยนะคะหลวงพี่ยอดก็เล่านะคะว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งประมาณตีหนึ่ง หลวงพี่เนี่ยได้ยินเสียงหมาหอนดังลั่นในวัดเนี่ยจนนอนไม่หลับพร้อมกับมีเสียงร้องไห้นะคะร้องไห้แบบแหบแ ห, ห, ห, ห้งเหมือนคนแก่ดังไปรอบกุฏิจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมลมข้างนอกก็แรงมากจนโคนต้นตาลต้นนึงเนี่ยล้มลงมาได้แล้วก็เสียงดังลั่นเลยนะคะ แต่ว่าเพราะความกลัวค่ะหลวงพี่ก็เลยไม่กล้าลุกไปดูจนตอนเช้ามาก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งวิ่งมาที่วัดคือมาทราบเรื่องราวอีกทีหนึ่งนะคะก็หลังจากที่ลูกหลานของป้าบัวมาบอกว่าป้าบัวเนี่ยเสียชีวิตแล้วแกนอนไหลาตายพอตอนบ่ายเขาก็นำร่างของป้าบัวนี่มาทำพิธีที่วัดค่ะสมัยนั้นยังไม่มีเมนเผาศพนะคะก็เลยต้องเผาบนกองฟืนระหว่างการทาพิธีนั้น ก็จะมีการเปิดฝาโลงศพเพื่อให้พระแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยนำน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าเพราะว่าสภาพศพปะบัวก็คือลืมตานะคะระหว่างกำลังจะเผาศพอยู่นั้นค่ะก็เกิดลมแรงฝนเทกระหน่ำลงมาทำให้ชาวบ้านต้องนำผ้ายางไปคลุมไว้จนถึงตอนเย็นถึงได้ดำเนินการต่อพิธีก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณผู้ฟังระหว่างที่ไฟกาลังไหม้ฟืนอยู่ด้านล่างนั่นเอง อยู่ๆค่ะโลงศพก็พลิกคว่ำลงมาทำให้ประบัวเนี่ยหล่นตุบลงมากลิ้งออกมาจากโลงเลยทุกคนต่างตกใจร้องเสียงหลงพวกผู้ชายก็เลยรีบพากันใช้ไม้เนี่ยพลิกศพกลับเข้าไปในกองไฟเหมือนเดิมจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านผู้เล่าบอกนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยที่วัดเนี่ยยังไม่มีสังกะรีหรือว่าสัปเลอพวกเนนก็เลยต้องทาหน้าที่เป็นระยะ ตรวจดูนะคะว่าศพถูกเผาละเอียดแล้วหรือยังจนถึง6โมงเย็นค่ะเป็นเวลาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฟังพระธรรมวินัยไปจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะปกติแล้วเนนจะนอนกันแต่หัวค่ำลักษณะกุฏินะ จะมีทางเดินตรงกลางมีห้องทั้งหมด4ี่ห้องตรงข้ามกันเนนยอดจะนอนห้องในสุดด้านขวามือแล้วก็เนนที่ชื่อออยเนี่ยคือห้องถัดมาจะเป็นห้องของหลวงพี่ท่านหนึ่งค่ะส่วนด้านซ้ายทั้งสองห้องเนี่ยถูกกั้นด้วยผ้าจีวรห้องในสุดจะเป็นที่เก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้ต่างๆคนตายที่ญาตินามาบังสุกุลแล้วก็เอาไปเผาศพนะคะ หลังจากนั้น 3-4 วันส่วนห้องถัดมาเนี่ยเคยมีเนนท่านหนึ่งย้ายมาจากวัดอื่นเข้ามาพักได้ไม่นานก็ย้ายออกไปเพราะว่าตอนดึกบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนรื้อข้าวของแล้วก็เห็นเงาดําประหลาดจากห้องกัน ข, ข้างเป็นประจำห้องนั้นก็เลยว่างไม่มีใครกล้าเข้าไปนอนอีกเลยส่วนกุติหลวงพ่อนะจะอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรนะคะคืนนั้นเป็นอีกคืนหนึ่งที่หมาหอนดังกล้องไปทั่วทั้งวัด เนนยอดก็เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ตอนตีสองละคะ่ะเพราะว่าได้ยินเสียงเนอนออยร้องลั่นเลยนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องร้องให้ไม่พูดไม่จาเป็นภาษาคนก็ฟังไม่รู้เรื่องจนลุงพี่ที่อยู่ข้างห้องเนี่ยมาเคาะประตูเรียกเนอนออยก็เลยรีบวิ่งออกไปแล้วก็เข้าไปหลบในห้องของลุงพี่เนนยอดก็วิ่งตามเข้าไปแล้วค่ะ พอหลวงพี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนนออยก็ไม่ยอมบอกจนถึงตอนเช้าเนนออยก็นอนจับไข้ป้าก็บ่นบอกว่าอยากศึกแล้วพอหลวงพ่อเข้ามาถามเนนออยก็เลยเล่านะฮะว่าเมื่อคือนเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าบริเวณหน้าห้องพอดีที่นอนเนนเนอนออยเนี่ยมันจะตรงกันกับประตูพอดีนะคะคือลักษณะประตูมันจะอยู่สูงเหนือจากพื้นประมาณฝ่ามือครึ่งพอจะมองลอดช่องใต้ประตูออกไปได้นะคะ ตาก็เลยไปสะดุดเห็นเท้ายาวๆดำๆอยู่คู่หนึ่งลักษณะไม่เกรียมยืนอยู่ชิดประตูหน้าห้องส่วนปลายเท้านั้นพ้นลอดผ่านเข้ามาในห้องเนอนออยถึงกับร้องไห้ออกมาระหว่างที่เล่าถึงตอนนั้นก่อนจะเล่าต่อนะคะว่าทันใดนั้นก็มีมือยาวๆข้างหนึ่งนี่แหละลวงเข้ามาผ่านช่องประตูคล้ายกับกําลังคลําหาอะไรบางอย่างภายในห้อง พอดีมือนั้นคว้าไปโดนขาเนนเข้าก็เลยทําให้เนเนเนี่ยสะดุ้งสุดตัวร้องลั่นพุ่งไปหลบอยู่ที่มุมห้องสัมผัสของมือมันจะสักๆเยน็ยนๆมีกลิ่นไหมผสมกลิ่นคาวคุ้งเลยนะเนีคะเนนออยพูดไปก็ร้องไห้ไปป่าก็บอกว่าอยากจะลาศึกษาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวดูดดเริกให้แต่ให้อดทนไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าดูเหมือนกําลังมีเคราะห์ให้นอนพักผ่อนไปก่อนไม่ต้องทํางานวัดที่เหลือเนี่ยให้เนยนยอดทําคนเดียวไปก่อน จนช่วงเย็นของวันนั้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังลูกหลานของป้าบัวก็มาที่วัดเพื่อทำการเก็บเท่ากระดูก ข, ของแกใส่โกรแล้วก็เอาไปไว้ในธาตุที่สร้างไว้ห่างจากกุฏิหลวงตาประมาณ20เมตร พอตกตอนเย็นมีเพียงแค่หลวงตาหลวงพี่กับเนนยอดเท่านั้นที่สวดมนต์ไหว้พระส่วนเนนออยยังคงนอนป่วยอยู่ในห้องของหลวงพี่แล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนตะโกนเรียบอยู่ที่ใต้ต้นโพนากุติในสภาพเปือยกายตัวสูบผอมผมเภาเนี่ยรุงรังแขนยาวจนถึงพื้นค่ะแต่แปลกนะคะที่เสียงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเหมือนเสียงของป้บัวไม่ผิดเพีย้ยน เพราะว่าเสียงแกจะแหลมๆเวลาแกตะโกนตะคอกด่าเนนประจำตอนมีชีวิตเนนออสสะดุ้งเหงื่อท่วมตัวรีบวิ่งไปเล่าความฝันให้หลวงตาฟังพอฟังจบหลวงตาก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเขาคงอยากมาขอส่วนบุญเพราะว่าลูกหลานของแกไม่ค่อยชอบเข้าวัดทําบุญกันเรื่องเปรตประบัว ดังไปทั่วในสมัยนั้นชาวบ้านที่ต้องเดินทางผ่านวัดเนี่ยเจอกันแทบทุกคนค่ะบ้างก็เล่าว่าเห็นคนยืนเรียกแต่พอเข้าไปใกลๆ้ๆตัวมันสูงเหยียดขึ้นเท่าต้นตาลก่อนจะหายไป บางคนก็บอกว่าขี่รถจักรยานผ่านวัดจะรู้สึกเหมือนมีคนเอามือมาดึงท้ายจนล้มพอหันไปดูนะเห็นเป็นเงาดาๆยืนอยู่ต่อหน้าจนทำให้เป็นลมหมดสติไปเลยก็มีบ้างก็บอกว่าขี่รถผ่านไปจนถึงบริเวณท้ายวัดจะเจอขายาวๆผอมๆ อ, อยู่คู่หนึ่งนะคะยืนอยู่บนสะพานแต่ว่าไม่มีลำตัว จนถึงเรื่องของเนนยอดบ้างวันนั้นเนนยอดตื่นขึ้นมากวาดลานวัดคนเดียวตอน4ี่โมงเชา้าใกล้ๆ ก, กับกุฏิหลวงตาแล้วได้ยินเสียงเหมือนลมพัดใบไม้เนีิปลิวเป็นจังหวะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจคิดว่าเป็นเพียงแค่ลมแต่แล้วก็ต้องตามมาด้วยเสียงอันดังแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กพอเนนหันไปดูค่ะก็เจอเปรตเข้าให้เต็มๆลักษณะคือมันเอาขาเกี่ยวกิ่งต้นมะขามแล้วก็ห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้นตัวกวัดแกว่งไปมาก็เลยเกิดเสียงดังป๊อก แป๊กปอกแป๊กนะคะเสียงเหมือนกระดูกเคลื่อนที่ค่ะท่าทางราวกับว่ากำลังเอาเส้นผมรุงรังนั้นเนี่ยกวาดบริเวณลานวัดอยู่แล้วก็ใช้มือมือไม้เนี่ยปัดไปมาตามพื้นดินนะคะเนนยอดถึงกับร้องลั่นเลยแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อท่านก็เลยถามว่าเป็นอะไรเนนก็เล่าสิ่งที่เจอให้หลวงพ่อฟังท่านก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าจะอุทิศบุญไปให้แต่อย่ามาปรากฏตัวให้ใครเห็นอีก นับจากนั้นมาก็ไม่มีใครเห็นเ ป, ปรตป้าบัวออกมาอีกเลยนะคะจะมีก็เพียงแต่เสียงหวีดร้องดังมาจากท้ายวัดเป็นบางครั้งบางคราวส่วนเนนออยนั้นหลังจากจบเรื่องนี้ก็ตัดสินใจว่าจะบวชต่ออีกหนึ่งพรรษาค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ